คำว่าเป็นผู้มีฟงซาอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้มีฟงซาเพราะสละคลายปล่อยวางและสลัดออกและและสลัดออกซึ่งอุทจจะปุกุจจะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีฟงซาคำว่าอยู่อธิบายว่าซืมเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเร ION, ี uns, ยกว่าอยู่คำว่าภายในตนอธิบายว่าเป็นภายในตนมีเฉพาะตน ในคำว่ามีจิตสงบนั้นจิตเป็นไนจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้เป็นธรรมชาติสงบระงับสงบเงียภายในตนเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีจิตสงบภายในตนคำว่าชาระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกกุจจะอธิบายว่าอุทจักกุกกุจจะนั้นแยกเป็นอุทจัจจอย่างหนึ่งกุกกุจจะอย่างหนึ่ง ในสองอย่างนั้นอุทจจะเป็นไนะความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความซัดสายแห่งจิตภาวะที่พล่านไปแห่งจิตนี้เรียกว่าอุทจจะกุกุจจะเป็นไนะความสำคัญว่าควรในสิ่งที่ไม่ควรความยุ่งใจนี้เรียกว่ากุกุจจะจิตเป็นไนะจิตมโนโมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิต พิสุชัมระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองให้หมดจดให้หลุดให้พน้นให้หลุดพ้นจากอุทจฉะและกู่ขุจจะนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชัมระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจฉะขู่กุจจะในคําว่าลาวิจิกิจฉาได้แล้วนั้นวิจิกิจฉาเป็นไนความเคลื่อนแคลงกิริยาที่เคลื่อนแคลงภาวะที่เคลื่อนแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ ความเห็นเป็นสองแง่ความเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถจะถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถย่างลงถือเอาโดยเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียดับไปดับสิ้นไปถูกทาให้พินาศไป ให้พินาศย่อยยับไปให้เหือแทงไปให้เหือแ้งไปด้วยดีห to to ให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละวิจิกิจจาได้แล้วคำว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจจาได้แล้วอธิบายว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจจานี้คือข้ามขึ้นข้ามออกถึงฝั่งถึงความสำเร็จตามลำดับเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ข้ามวิจิกิจชาได้แลว้วคำว่าอยู่อธิบายว่า เติมเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คําว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมอธิบายว่าไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยไม่มีความสงสัยหมดความสงสัยปราศ จ, จากความสงสัยในกุศลธรรมด้วยวิจิกิจฉานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมในคําว่าชําระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉานั้น วิจิกิจฉาเป็นไนความเคลือบแคลงคิริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาจิตเป็นไนจิตมโนโมานัสมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าจิตพิกษุชมระจิตนี้ให้บริสุทธิ์ให้ผุดพองให้หมดจดให้หลุดให้พ้นให้หลุดพ้นจากวิจิกิจฉานี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาควาว่าละนิวรห้าเหล่านี้อธิบายว่านิวรห้านี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทําให้พินาศไปให้พินาศย่อยแย่ไปให้เหือแทงไปให้เหือแห้งไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าละนิวรห้าเหล่านี้ คำว่าที่เป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองอธิบายว่านิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นเครื่องทำให้จิตเศร้าหมองคำว่าทอนกาลังปัญญาอธิบายว่าปัญญาที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดและปัญญาที่เกิดแล้วก็จะดับไปเพราะนิวรณ์ห้าเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทอนกาลังปัญญาในคำว่าสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นกามเป็นไน ฉันทะชื่อว่ากามราคะชื่อว่ากามฉันทราคะชื่อว่ากามสังกัปปะชื่อว่ากามราคะชื่อว่ากามสังกัปปะราคะชื่อว่ากามเหล่านี้เรียกว่ากามอกุโสลธรรมเป็นไนกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักปุกุจจาและวิจิกิจฉาเหล่านี้เรียกว่าอกุโสลธรรม พิสุเป็นผู้สงัดแล้วจากกรรมและอคติโสตธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสงัดจากกรรมและอคุิโสตธรรมทั้งหลายคําว่ามีวิตกวิจารณ์อธิบายว่าวิตกวิจาร์นั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารณ์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สามมาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจาร์เป็นไนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตออจเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารพิสุเป็นผู้เข้าไปถึงแล้วประกอบแล้วด้วยวิตกวิจารนี้ดังที่กล่าวมานี้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 ปีติและสุขนั้นแยกเป็นปีติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นปีติเป็นไฉนความอิ่มเอิบความปราโมทความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความเรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติสุขเป็นไฉนความสาราญทางใจความสุขทางใจ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 เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คำ ว, ว่าเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปแล้วอธิบายว่าวิตกวิจารนั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสามมาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นไนความตรอมความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณา ความที่จิตสืบต่ออารมณ์ความที่จิตแพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารวิตกและวิจารดังกล่าวมานี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทําให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือแทงไปให้เหือแทงไปด้วยดีให้สิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้ว คำว่าภายในตนอธิบายว่าเป็นภายในตนมีเฉพาะตนคำว่าผ่องใสอธิบายว่าศรัทธากิริยาที่เชื่อความปักใจเชื่อความเลื่อมใสยิ่งคำว่ามีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นอธิบายว่าความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิคำว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารอธิบายว่า วิตกวิจารณ์นั้นแยกเป็นวิตกอย่างหนึ่งวิจารณ์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นวิตกเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆสัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นไฉนความตรองความพิจารณาความตามพิจารณาความเข้าไปพิจารณาความที่จิตสื่อต่ออารมณ์ความที่จิตเพ่งอารมณ์นี้เรียกว่าวิจารณ์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 ทำเหล่านั้นเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบางเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วในสมาธินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเกิดจากสมาธิคําว่ามีปิติและสุขอธิบายว่าปิติและสุขนั้นแยกเป็นปิติอย่างหนึ่งสุขอย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นปิติเป็นไนความอิ่มเ อ, อิบความปราโมทความที่จิตชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปิติ สุขเป็นไนความสําราญทางใจกิริยาสวยอารมณ์ที่สําราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าสุขสุขนี้สหรคตรเกิดพร้อมระคนประกอบด้วยปีตินี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามีปีติและสุขคําว่าทุติยะอธิบายว่าชื่อว่าทุติยะโดยลําดับแห่งการนับชื่อว่าทุติยะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงชานี้เป็นที่สอง คำว่าฌานอธิบายว่าความผ่องใสปีติสุขและเอกขตาคำว่าบรรลุอธิบายว่ า, ว า, ก, า, ว า, า, วาการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงความถูกต้องการทาให้แจ้งการบรรลุทุติยฌานคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ในคำว่าเพราะปิติจางคลายไปนั้น ปีติเป็นไนะความอิ่มเอิบความปราโมดความยินดีอย่างยิ่งความบันเทิงความร่าเริงความเรื่นเริงความปลื้มใจความตื่นเต้นความที่ขิดชื่นชมยินดีนี้เรียกว่าปีติปีตินี้เป็นอันสงบระงับสงบเงียบดับไปดับสิ้นไปถูกทำให้พินาศไปให้พินาศย่อยยับไปให้เหือดแห้งไปให้เหือดแห้งไปด้วยดี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 กลายเป็นไนสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน์นี้เรียกว่ากายพิกษุเสวยสุขนี้ด้วยกายนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเสวยสุขด้วยนามกายในคําว่าที่พระอริยะทั้งหลายกล่าวสรรเสริญนั้นพระอริยะทั้งหลายเป็นไนพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอริยะทั้งหลายพระอริยะเหล่านั้นกล่าวสรรเสริญแสดงบัญญัติ แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทำให้ชัดเจนประกาศบุคคลผู้ดได้บรรลุนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าที่พระอริยทั้งหลายกล่าวสรรเสริญในคําว่ามีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุกนั้นอุเบกขาเป็นไนอุเบกขาความวางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบกขาสติเป็นไนสติความตามระลึก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 เที่ยวไปอยู่พักอยู่ด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขคำว่าตติยะอธิบายว่าชื่อว่าตติยะโดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าตติยะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่สามคำว่าฌานอธิบายว่าอุเบกขาสติสัมปัญญะสุขและเอกขตา คำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทำให้แจ้งการบรรลุตติยฌานคําว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่คําว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้อธิบายว่าสุขและทุกข์นั้นแยกเป็นสุขอย่างหนึ่งทุกข์อย่างหนึ่งในสองอย่างนั้นสุขเป็นไน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 ในคําว่ามีสติบริสุทธิ์พระอุเบขานั้นอุเบขาเป็นไงนอุเบขาภาวะที่วางเฉยกิริยาที่เพ่งเฉยความวางตนเป็นกลางแห่งจิตนี้เรียกว่าอุเบขาสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสตินี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นอันเปิดเผยบริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะอุเบขานี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า มีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาคำว่าจจตุ t h อธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นที่สี่โดยลำดับแห่งการนับชื่อว่าเจตุ t ะเพราะโยคาวจรบุคคลเข้าถึงฌานนี้เป็นที่สี่คำว่าฌานอธิบายว่าอุเบกขาสติและเอกขัคตาคำว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้อง การทำให้แจ้งการบรรลุเจตุธชาญคำว่าอยู่อธิบายว่าสืบเนื่องกันอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่ในคำว่าเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาได้โดยประการทั้งปวงนั้นรูปสัญญาเป็นไนะความจำได้กริยาที่จำได้ภาวะที่จำได้ของโยคาวจรบุคคลผู้เข้ารู้ปาวจรสมาบัติผู้อุบัติในรูปภูมิ หรือของพระอาหารหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเหล่านี้เรียกว่ารูปประสัญญาภิกษุเป็นผู้ก้าวล่วงแล้วก้าวข้ามแล้วก้าวพ้นแล้วซึ่งรูปประสัญญาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเพราะก้าวล่วงรูปประสัญญาได้โดยประการทั้งปวงในคำว่าเพราะความดับไปแห่งปฏิฆะสัญญานั้นปฏิฆะสัญญาเป็นไนรูปประสัญญาสัทธสัญญาขันทสัญญา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 เพราะไม่มนาสุการนานาตัสัญญานั้นนานาตัสัญญาเป็นไนความจําได้กิริยาที่จําได้ภาวะที่จําได้ของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนธาตุหรือผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุซึ่งไม่ได้เข้าสมาบัตเหล่านี้เรียกว่านานาตัสัญญาภิกษุไม่มานาสุการนานาตัสัญญาเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เพราะไม่มานกสุการนาณาสัญญาในคําว่าอากาศไม่มีที่สุดนั้นอากาศเป็นไนาอากาศธรรมชาติที่นับว่าอากาศความว่างเปล่าธรรมชาติที่นับว่าความว่างเปล่าช่องว่างธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งมหาภูตรูปสีถูกต้องไม่ได้นี้เรียกว่าอากาศภิกษุตั้งจิตไว้ตั้งจิตไว้ด้วยดีแผ่ไปไม่มีที่สุดในอากาศนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอากาศไม่มีที่สุดคําว่าอากาสารานจายตนะอธิบายว่าทำคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าอากาสานานจายตนะผู้อุบัติในอากาสานันจายตนะภูมิหรือพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันคําว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึงการบรรลุถึงการถูกต้องการทําให้แจ้ง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 เพราะกล่าวล่วงอากาสารนัญญายาตนะได้โดยประการทั้งปวงคาว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอธิบายว่าพิกษุมณสุการอากาศนั้นนั่นแหละที่วิญญาณถูกต้องแล้วแผ่ไปไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณไม่มีที่สุดคาว่าวิญญาณัญจายาตนะอธิบายว่าธรรมคือจิตและเจตสิก ข, ของบุคคลผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะ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 พิจารณาเห็นว่าน้อยหนึ่งก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอะไรอะไรสักน้อยหนึ่งก็ไม่มีคําว่าอากินจัญญายาตนะอธิบายว่าทำคือจิตและเจตสิกของบุคคลผู้เข้าอากินจัญญายาตนะผู้อุบัติในอากินจัญญายาตนะภูมิหรือของพระอรหันต์ผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันคําว่าบรรลุอธิบายว่าการได้การได้เฉพาะการถึง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 เพราะก้าวล่วงอาคินจัญญายาตนะได้โดยประการทั้งปวงคำว่าผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อธิบายว่าภิกษุมณสการอาจีนจัญญายตนะนั้นนั่นแหละโดยความเป็นฌานที่สงบเจริญสมาบัติที่มีสังขารเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่คำว่าเนวสัญญานาสัญญายาตนะอธิบายว่า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 สืบเนื่องกันอยู่ดำเนินไปอยู่รักษาอยู่เป็นไปอยู่ให้เป็นไปอยู่เที่ยวไปอยู่พักอยู่เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอยู่สุตันตภาชนีจบสอง อภิธรรมภพาชีหนึ่งรูปาวจองกุศลชาณจตุกัดในชาณสี่คือหนึ่งปฐมฌานชาญที่หนึ่งสองทุติยฌานชาญที่สองสตติยฌานชาญที่สามสี่จตุทชฌานชานที่สี่บรรดาฌานสี่นั้นปฐมฌานเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปะพบ สังัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานในองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานทุติยฌานเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบเพราะวิตกวิจารสงบรังับไปแล้ว บรรลุทุติยฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สามคือปิติสุขและเอ ก, กคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานตติยฌานเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปิติจางกลายไป บรรลุตัติยฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตัติยฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานจจตุทัฌานเป็นไนภิกษุในธรรมวิในนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุจตุทัตฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะลาสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคืออุเบคาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจจตุทัชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยชาญชาณจจตุ ก, ก น, นาญจบชาณปัญจ ก, กนาญภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมาเพื่อเข้าถึงรูปภพสังัดจากกาม บรรลุปฐมฌานที่มีปัทวเวกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารณ์ปิติสุขและเอกขตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสังัดจจกกามและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลาย บรรลุทุติยฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์มีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สี่คือวิจารณ์ปิติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยฌานภิกษุในธรรมวิัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ เพราะวิตกวิจาร์สรงบประงับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานิองค์สามคือปิติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมาเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะปิติจางคลายไป บรรลุจตุธฌานที่มีปัทวีคเสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุธฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะละสุขและทุกข์ได้บรรลุปัญจมฌานที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคืออุเบคาและเอกกะคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมะชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ ด, ด้วยชาญชาณปัญจ ก, กนัยจบ 2. อ, อรูปาวจรกุศลภิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมักเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะกล้าล่วงอาจินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวง บรรลุจตุธฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบกขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าเจตุธฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานสาโลกุตระกุสนฌานจตุ ก, ก น, นัยฌานสี่คือ 1>, 1. ปฐมฌานสองทุติยฌานสตติยฌานสจตุทชฌาบนบรรดาฌานสี่นั้นปฐมฌานเป็นไนพิกสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุคข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังัดจจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใด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 บรรลุทุติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สามคือปิติสุขและเอกขตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานตติยฌานเป็นไนพิษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือสุขและเอ ก, กคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานเจตุทะฌานเป็นฉไฉนภิษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นบรรลุเจตุทชฌานที่เป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาพิญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบคาและเอกะคะตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุทชฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌาน ชาณจตุกไนจบชาณปัญจกไนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญชาญที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาณมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปีติ และเอกขตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานภิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสงัดจากการและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายแล้วบรรลุทุติยฌานที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร มีปีติและสุขอังเกิดจากวิเวกเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สี่คือวิจารณปีติสุขและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุติยฌานสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานภิสุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัททุกข์ใหถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐ เพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะวิตกวิจารสงบรังนับไปแล้วบรรลุตติยฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สามคือปีติสุขและเอกขตตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าตติยฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นเพราะปิติจางคลายไปบรรลุเจตุทถฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคือสุขและเอกลตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุทฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมบยุทธ์ด้วยฌานภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญฌานที่เป็นโลขุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุคข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นบรรลุปัญจมฌานที่เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบขาและเอกหลัตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่า สัมปยุตธ์ด้วยฌานฌานะปัญจ ก, กันจบสรูปราวจรวิปาะฌานสี่คือหนึ่งปฐมฌานสองธุติยฌานสตติยฌานสี่จตุทัชฌานพันดาฌานสี่นั้นปฐมฌานเป็นไนพิกษุในธรรมวินไนนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพ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 และเอกขตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานทุติยฌานเป็นไนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญมาเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบรังงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานที่มีปทวิกศินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้น ภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปแล้วบรรลุทลตุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุเจตุทัชานบรรลุปถมชาญบรรลุปัญจมชาญที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้สั่งสมรูปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นชาญมีองค์สองคืออุเบกคาและเอกขคตตาก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่าปัญจมะฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยฌานหอรูปราวจรวิบากภิกษุในธรรมวิในนี้เจริญมากเพื่อเข้าถึงอรูปภ พ, พเพราะกล่าวล่วงอาคินจัญญาญตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุจจตุทัชฌานที่สหรคตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลเพราะเก้าล่วงอาคินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุจจตุทัชฌานที่สหรคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้สังสมอรูปราวจรกุศลกรรมนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นชาในองค์สองคืออุเบกขาและเอกกะคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจตุทัชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมพยุดด้วยชาญ 6. หโล ก, กุตรวิบากชาน4สี่คือหนึ่งปฐมชาญ 2. สองทุติยชาญ 3. สามตติยชาล 4. สี่จตุทัชานบรรดาชาญ4สี่นั้นปฐมชาญเป็นไน พิษุในธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโล ก, กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกุ์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นสังจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิษุสังจากกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นสุญญา เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั่นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานในองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุขและเอขเคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปฐมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานทุติยฌานเป็นไนพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระ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 บรรลุปถมฌาบนบรรลุปัญจมฌานที่เป็นสุญตะเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิปากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบขาและเอกคะตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยฌานเจ็ด รูปารูปาวจรกิริยาฌานสี่คือหนึ่งปฐมฌานสองทุติยฌานสามตติยฌานสี่เจตุทัชฌ า, ช า, ชาบนบรรดาฌานสี่นั้นปฐมฌานเป็นไนพิสุในธรรมวินัยนี้เจริญรูปาวจรฌานที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิบากแห่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันส ง, งัดจากกาม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 เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุถฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจมฌานที่มีปัทวียกสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นฌานมีองค์สองคืออุเบขาและเอกคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัญจมฌานสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธวยฌาน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอรูปาวจรฌานที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลและไม่เป็นวิปากแล่งกรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายาตนะได้โดยประการทั้งปวงบรรลุเจตุตชฌานที่สหรคตรด้วยเนวสัญญานาสัญญายาตนะสัญญาไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น ฌานมีองค์สองคืออุเบกขาและเอ ก, กคตาก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าจจตุทชาญสภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธด้วยฌานอภิธรรมภาชนีจบ